ไม่ว่าจะเป็นฌานสมาบัติไม่ว่าจะเป็นมรรคเป็นผลมันแป๊บแป๊มันธรรมดาของคนที่เขาทำทางจิตคนที่ทำทางจิตเนี่ยก็เหมือนอย่างพวกที่ทำทางจิตเอย่างเราเราบางทีเรากำหนดรู้อะไรมันเวลามันจะรู้มันก็แป๊บรู้อนะแป๊บรู้แป๊บปู้ค่อนข้างจะแปลกกว่าชีวิตธรรมดาของเราของเราเนี่ยอย่างเราเรียนธรรมะมันไม่แป๊บมันไม่แป๊บใช่ไหมล่ะ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 ไปรักษาศีลแปดรักษาศีลสิบหรือไปทําวิปัสนากรรมฐานชั่วเท่านั้นทวันเท่านี้วันแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้กูศนลเจตนาที่กบเจ้าได้จังและจักได้ทําต่อไปจงได้แก้ไขปัญหาชีวิตของกพเจ้าที่เกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้ให้หายไปเถิดอธิษฐานแล้วก็ไปทําก็จะช่วยได้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 เพื่อให้เกิดผลในทางพลังนั้นๆขึ้นเพื่ออธิษฐานเสร็จแล้วออกมาอภิญญาวิถีก็เกิดเวลาคนแสดงฤทธิ์เนี่ยมีวิถีจิตทำงานเขาเรียกว่าอภิญญาวิถีจะเป็นอภิญญาอะไรก็มีวิถีจิตนั้นอันนี้เป็นโลกิยะเราไปดูโลกุตลปปลกตละอัปปนาโลกุตตละอัปปนาซึ่งเป็นวิถีจิตแนบแน่น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 ยิ่งได้ชานแล้วไม่บาน้เลิกพูดเลยเรื่องบ้าพวกได้ชานไอ้เจจะว่าบ้ากับคนอื่นเขาว่าบ้าเอง <c oughs> เขาว่าบ้าไปเองไม่ยังมามาเรียนธรรมบานแมมบ้าข้าววัดจริงไอผัวเมียกูนี่อะไรอย่างนี้ <c oughs> บางคนเขาว่าต่คนอื่นเขาว่าไอคนว่าคนไม่เข้าวัดมันก็ดูต่อไปที่ใครจะบ้าไอตอนว่าไอคนว่าจะบ้าแล้วก็ได้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 เขาบอกสงสัยเราจะต้องมีมีโลมีโชคอีกแล้ว mm. ก็คลานเข้าไปหาพระที่เหลืออยู่องค์เดียวเขาไปกันหมดแล้วนะ mm. ก็ไปถามบอกห mm. ลวงพ่อครับท่านรอจะให้คารถผมฟังออกไหรอให้ขารถผมใช่ไหมครับขาลรถกลับคุงเทพ mm. ท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้ไม่ให้ท่านบอกว่า mm. ปีนี้อายุอาตามาหกสิบสองแล้ว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 มันไม่เหมือนฝันได้เงินเนี่ยอาจจะได้จริงหรืออย่างลายของอาจารย์ฝันเห็นหวยก็เห็นจริงที่นั่งอยู่เนี่ยผมไม่บอกว่าใครท่านพูดในฟังนะนก็เห็นจริงๆอ่ะมันออกจริงๆออย่างนั้นเป็นไปได้เหมือนกันหรือฝันว่ามีใครเขาเอาอะไรมาใส่มือตื่นขึ้นมามีอยู่ในมือจริงๆออย่างนี้ก็อาจเป็นไปได้แต่ถ้าชาันแล้วไม่ได้เพราะนั้นพวกชานวิถีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย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 แต่ความฝันของเราเนี่ยเราฝันด้วยการมวิถีครับฝันด้วยการมวิถีวิถีไหนที่เราฝันมากที่สุดการมาสุดท่ามะโนทวารวิถีเราจะฝันด้วยวิถีจิตนี้มากที่สุดเลยไม่ว่าจะฝันด้วยเทพสังหฮอนาธาตุกรรเริบจิตอาวอนหรือกรรมบุปกรรมมนิมิตให้ฝันไปก็ตามเราจะฝันด้วยจิตพวกนี้